คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการโฆษณาวาไรตี้ดมเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทวิพาสินสุวรรณและอาจารย์รัติการเจนจัดควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสรรค์และผลิตแปยการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฆษณาวารริี้ค่ะ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 เทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะสำหรับวันนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนาะบ้านเมืองเรามีเหตุการณ์คึกคักเป็นพิเศษเพราะว่า ไม่ได้ภาพบรรการแบบนี้มานานมากแล้วเฝ้าติดตามเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่ฉันดูการเปิดร <si ัฐสภาเปิดสภาค่ะเปิดสภาเปิดสภาแม้ว่าจะไม่ได้ไปจัดที่รัฐสภาเหมือนเดิมเนื่องจากว่าปรับปรุงกันอยู่นะคะก็มีพื้นที่อยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากเปิดก็คือเปิดได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะ สนุกสนานค่ะดิฉันชอบอ่ะคือดูไปทั้งวันเลยนะวันเสาร์เน้นดูทั้งวันเลยตกเย็นปวดหัวกินพารามไปเลยค่ะแต่แล้วบอกอุ้ยตลกดีคือไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยทุกอย่างมันจะกลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมมีมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีมีการอภิปรายมีการโต่ยแย้งทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยดิฉันรู้สึกมันเป็นบรรยากาศที่ดีนะก็เป็นวิธีของของการปกครองแบบ ประชาธิปไตยอะค่ะ <No. S 1> ก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นวันนี้สําคัญนะคือเราคิดต่างได้นะแต่ว่าไม่แตกแยกไงก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนคิดไม่เหมือนเราแล้วแบบเขาผิดหรอก็ไม่นะมีคนเคยถามว่าแบบไม่ใช่มีคนเคยถามมีคนเคยบอกว่าคือคือระบอบ ก, การปกครองที่เป็นแบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบอบ ก, การปกครองที่มันมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันเลวน้อยที่สุดแล้วค่ะคุณ คือดฉันก e ็รู <half> ้จะพูดยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยอยู่ในระบบการปกครองแบบอื่นเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็มันก็ดีนะคือไทยนี่ก็ก็มีสีสันนะดิฉันก็ชอบประเทศของเรานะบางช่วงเราก็ดูเหมือนจะพูดอะไรไม่ได้บางช่วงเราก็อุ้ยเราก็พูดได้น้ออะไรอย่างนี้ฉันดูเลยฉันก็รู้สึก ขำดีตั้งแต่เอตอนที่เขาเหมือนกับรายงานตัวเด็กนักเรียนอ่ะนึกถึงตอนนั้นนะโอ้ยใส่ชุดขาวรายงานตัวกันเยอะแยะไปหมดแล้วมันมันคึกคักอ่ะมันต้องจาหมายเลขให้ได้ด้วยนะใช่หมายเลขอะเลขที่อ่ะแล้วแล้วเขาก็มากันโอ้ยจำไม่จัำมืออ่าเาแนั่งกันฝั่งนะนั่งเป็นฝั่งอ่าจริงๆถ้าจะสมานสมัครีกันจริงๆนี่น่าจะต้องจับฉลากนั่งนะไม่ได้สี่เวลานับว่าอ๋อนี่เสียงของพักไห่พักไหนอะไรเงี้ยคือนี้มันดูเป็นฝั่งไง มันดูเป็นฟ้าไม่ได้เขามีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรให้ไงมันสเกิร์ตของเก้าอี้เอาสีส้มไปอยู่กับสีน้ําเงินได้ไหมอ่ะส้มไม่ไปอยู่กับแดงได้ไหมอันนี้เขาจัดโทนยังไงเนี่ยไม่รู้เขาอันนี้ต้องแบบนิดนึงจะได้เวลาเวลายกมือจะได้สวยกระพึิบๆทีเดียวอย่างนี้ยกพริบๆที่ฉันก็ชอบค่ะชอบบรรยากาศความ ความความคึกคักอย่างที่บอกไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะเนื่องจากว่าเนาะห้าปีเนาะเราก็ไม่เคยดูอะไรแบบนี้จริงๆอยากจะพูดเรื่องแบบว่าเปิดสะพงสะพงสภาอะไรอย่างนี้นะตั้งนานแล้วนะเมื่อไหร่เราก็รอกันมาหลายเทปแล้วเตั้งกันตั้งนานแล้วทำไม่สภายังไม่เปิดสักทีอะไรรอก็ก็ตออยู่ อ, อ๋อพอเคาะเรียบร้อยละใครได้ไม่ได้ก็เปิดสภาสะสะทุกท่านนี่หน้าตา ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่ามันก็เป็นนั่นแหละเหมือนนักเรียนรอวันโรงเรียนเปิด <c oughs> ปิดเธอไปห้าปีอ่ะเพื่อจะได้เปิดอ่ะสงสารเนาะนี่จริงเราหยุดไปแบบ3มเดือนอะไรอย่างงี้นะเหมือนเปิดเธอมันี่บรรยากาศเหมือนเปิดเธอมันแรกนะคือแบบเหมันไม่เจอเพื่อนบรรทันอ่ะอุ้ยจุกมอยเัมอยอะไรอย่างงี้นะเออเนาะเราก็มมอยกันไปครึ่งวันเี่กว่าจะเลือกได้อ่ะไม่แล้วดิฉันมีความรู้สึกว่าบรรยากาศมัน มันเป็นมิตรภาพเหมือนเพื่อนเก่ามาเจอกันน่ะเอ้ยเขาหยอกล้อเขาแซวกันนะวันที่เปิดสภาแล้วก็วันวันที่เขาวันวันที่เขาเริ่มประชุมอะค่ะเขาเขาหยอกล้อกันด้วยความรู้สึกแบบอีกแกมหยอกเขาขำขำอะมันสนุกอ่ะมันมันแบบเออปกติเลยสภามันต้องร่างกฎหมายนอพานกฎหมายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเปิดเทอมใหม่หัวใจวาวุ่นเดี๋ยวเรื่องหัวหน้าห้องก่อนเลยอันนี้เป็นชั่วโมงโฮมรูม ใช่นีมีมีท่านประธานชัยชิดชอบเป็นหัวหน้าห้องก็นิดนึงเขา่ะตามอุโสกไงก็เหมือนแบบเด็กนักเรียนที่แบบโตสุดในห้องนั้นใช่ไหมคะแล้วก็อให้เกียรติในไหนก็เอาหัวหน้าห้องนี่เขาเลือกจากโตโตสุดใช่ไหมก็เลือกอวุโสกถ้าสมมติว่านักเรียนซ้ําชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะให้ได้เป็นหัวหน้าห้องจะได้มีความรับผิดชอบแต่ว่าอันนี้ไม่แต่ว่าแตกต่างกันแต่ว่าถ้ามันซ้ําชั้นนี่แสดงว่าไม่มีความรับผิดชอบ คือตกชันก็จะได้เป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่แต่ทีเนี้ยเนี่ยสภาของเรานะคะก็ให้ให้เกียรต ผู้อาวุโสสูงสุดนะคะนั้น91ปีใช่ไหมคะแข็งแรงนะคะท่านแข็งแรงมากเลยนะแล้วคือความเขาเรียกอะไรอะความจํำความจําอะไม่ไม่แบบก็เป็นคนมีศักยภาพไงเห็นไหมเขาถึงเอจริงๆแล้วผู้สูงอายุนี่ไม่ใช่ว่าจะเลอะเลือนไม่มีศักยภาพนะมีความจำประเดินเหมือนกันนะคะที่จะพูดในในเรื่องสภารอบนี้เนาะเรื่องนี้ก็ขอขอขอเอาไปที่ที่ประชุมเลือกกันก่อนได้ไหมคะดิฉันสนุก คุณคะนี่เป็นสภานะคะพี่จีสภาก็คุณันสนุกดิฉันสนุกมากเวลาที่เอ่อคนหนึ่งก็พยายามจะพูดอีกคนหนึ่งก็พยายามจะแบบว่าโต้แยงอีกค น, นก็เป็นกรรมการซึ่งกรรมการก็แบบว่าฟังก่อนด้วยน้ําเสียงที่แบบว่าดิฉันชอบนะอแตดด่ดิฉันก็เป็นห่วงอยู่นะคือไม่ได้ว่าคนสูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคนเราเวลาทํางานหนัก อย่าว่าแต่ผู้สูงอายุเลยค่ะเราเองเราลูกไม่ขึ้นนล้ามันล้ามันลามากแล้วก็เออลูกไม่ขึ้นแบบเนี้ยคือมันก็ต้องแบบแต่ก็มีความน่ารักอยู่ดิฉันก็เห็นว่าประเทศไทยก็น่ารักกันหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเป็นแบบนี้เป็นิสัยเป็นนิสัยของคนไทยอ่ะคือไม่รู้อันนี้มุมส่วนตัวดิฉันนะประธานสภาต้องต้องอารมณ์ขันเครียดไม่ได้เลยนะเครียดดิฉันว่าแบบ พาเครียดกันไปทั้งสภาทั้งคนดูออทั้งประชาชนนะเครียดนี่นะก็จะพากันเละเทอะไปกันใหญ่อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> คือนนี้ท่านก็ท่านก็ขำขำดีนะท่านก็เบรกเรกด้วยความแบบขำขำนะไม่มีใคร <laughs> ฟังก็บอกว่าผมยังไม่ได้อนุญาตเลยนะ <laughs> มีใครฟังเลยหั <laughs> วนหน้าห้องอยากไม่ได้ให้พูดเลยนะคะก็เป็นสีสันเนาะสนุกดีนี่ถึงบอกเลยว่าสนุกแล้วก็เดิฉันสังเกตนะคะเกือบทุกบ้านเลยนะ ทุกคนก็รอคอยกันกันไลฟ์สดบ้านฉันนี่ดูถ่ายทอดสดเลยทั้งวันเลยทั้งวันเลยดิฉันดูคขำๆกันดีนะคะก็หลุดเนี่ยเอาไปกินข้าวเอไปนู่นนั่นเนี่ย่องไม่เลือกกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้เลือกไม้วันนี้ตอนแรกก็ใจแปวอยู่ที่ตะตุ่มเลยนะวิตายแล้วรอมาห้าปีจะไม่เลือกกันอีกแล้วหรอจะเลื่อนทําไมอย่างเงี้ยนั่นสิเขาก็แบบว่าเอ๊ยมันมันมันเลื่อนไม่ได้แล้วเนาะก็มีสสบางท่านจากอีกมุมนึงเขาก็บอกว่า แม่กว่าจะนัดกันได้กว่าจะมาพร้อมเพียงกันได้กว่าจะได้เป็นสอสอเนี่ยแล้วยังจะมาแบบว่าไม่ใช่ฉันมีหัวหน้าห้องแล้วเมื่อไหร่จะได้แบบได้ทำงานสัทีเออเตรียมปากกามากาแล้วเตรียมมาห้าปีแล้วหมึกจะแบบไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยใช่ก็ก็เข้าใจคือเอาแล้วคนคนดูอย่างเรานะเราก็รุนนะเอาก็เลือกสิใช่อะไร่แต่เรเลือกสิก็ใช่ก็เลือกสิ พอเตรียมกันแล้วนี่เปิดตัวแล้วนี่ว่าจะมีใครบ้างก็จะเลื่อนทําไมล่ะวันนั้นเขาจะเลื่อนทำไมคะคุณวันนั้นเขาไม่พร้อมบางพักไม่พร้อมห้ปียังไม่พร้อมเหรอย่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอเวลาแบบว่าเออตั้งสตินิดนึงอะไรอย่างตกใจตกใจตกใจแบบไปแล้วว่าเขามีการเลือกหัวหน้าห้องกันด้วยไม่พร้อมไม่พร้อมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบ่ายสองว่ากันใหม่อะไรโอ้ยดีใจแทบแย่เลยดิฉันาพราะตายเลยด้วเรื่องสะานนี่รุนใหญ่เลยนะ น, น้ำตาจะไหลนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อนะคะว่าสรุปแล้วเรามาทบทวนให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าได้ไหมได้ไหมหรือไม่ได้น่นแะสประธานสภาของเราเป็นใครและรองอีกสองท่านเป็นใครนะคะเดี๋ยวว่ากันค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะรายการโฆษณาวารตีสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี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 มาช่วงที่สองของรายการโฆษณาวารตี้นะคะวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยนะคะที่เราได้เลือกกันไปนี่แลละค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเปิดปุ๊บโอ้โหสีสันนะคะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ตั้งนานค่ะภาษาภาษาอังกฤษเรียก back to school back on track กลับมาแล้วอืมสีสันเรานะคะก็มีท้ง สสหน้าใหม pe, ่นะคะสสหนักเก่านะคะเก่าซะเยอเก่าก็อะนะใหม่ๆก็มีหน้าตาแบบว่าใส่สดใสมากคนรุ่นใหม่ดูใช่ดูแบบอุ้ยคนรุ่นใหม่อะไรมันอาจจะแบบมีอะไรใหม่ๆเนาะผสมผสานกันระหว่างแบบความความเก่าความใหม่บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าลงตัวกีนะเบางทีดิฉันก็เปรียบเทียบกับการเดินพรมแดงของดาราเหมือนกันนะพราะมันจะมีช็อตแย่งซีนของกันอยู่เฮ้เขาจะมีดาวสภาเนี่ย อยังไงคะเนี่ยคิดว่าวันแรกก็น่าจะมีแล้วล่ะที่พูดบ่อยๆอ่ะอต <c oughs> แต่เป็นไม่ใช่ว่าแบบมีไม้จะพูดอะไรก็ได้นะหมายถึงว่าเอาเอต้องแบบพูดเรามีสาระเออค้านในสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงอย่าแล้วเธอไปไกลกว่านั้นนะคะไม่ใช่มไม่ใช่ว่ามีไม้เราจะพูดอะไรก็ได้คือดิฉันก็เห็นวิธีการแย่งซีนนะคะเพื่อที่จะอยู่ในใน ในหน้าสื่อมวลชนนะ่ะก็มีนี่ใช่ว่าจะมีดาราอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่พูดเดี๋ยวเขาฟ้องให้คุณฟังไปตามคลิปดูกันเองไปตามตคลิปกันอเอาเองนะคะทีะนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าประธานสภาผู้แทนราษฎร น, นะคะประธานรัฐสภาก็คื อ, อ, อคุณชวนหลีกภัยนะคะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีร<า>ัฐมนตรีร<า>ัฐมนตรีอีก อีกหลายสมัยทีเดียวแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเคยเคยดํารงตําแหน่งประธานสภ า, าด้วยใช่ค่ะก็ด้วยอาวุโสวยวุธคุณูุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ชนะไปตามคาด น, นั้นแหละค่ะมีประเด็นอีกทําไมคะคะสิงูเห่างูเห่า <laughs> นี่ทําไมต้องว่าเป็นงูเห่าฉันก็งูว่าเป็นอันอื่นได้ไหมทําไมต้องว่าเป็นงูเห่าคือคื อ, คอ แต่แต่ดิฉันก็ชื่นชมนะคะาชาวนากับมูเห่ า, าเนี่ยหรอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ชื่นชมชาวนากับมู <laughs> ดิฉันชื่นชมตรงที่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่จําเป็นนี่ว่าฉันจะอยู่ขั้วไหนและฉันจะต้องเป็นไปตามขั้วนั้นหรือเปล่าก็มีความคิดปของตัวเอ ง, เ อ, งอืหรือเปล่าโอ้แต่จริงๆแล้วคือดิฉันก็เห็นด้วยนะว่าเอาลุยอยู่แล้วว่าใครจะแพ้ใครจะชนะอย่างนี้มันก็ไม่สนุกสิมันก็ต้องแบบเฮ้ยเราเป็นผู้แทนราษฎรน่ะเราเป็นผู้แทนของประชาชนน่ะใช่เราก็ เออควรจะมีจุดยืนอ้าวอนี้ฉันเห็นด้วยฉันก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยฉันก็ไม่ยกยกให้อีกฝั่งได้ไหมอ่ะก็นั่นแหะสิมันควรได้ไหมมันควรได้แต่ถ้ายกปู่ปักกายเป็นงูเห่าเลยแล้วไม่ชอบทำไมต้องเรียกงูเห่าเรียเป็นแบบแกลงี้ได้ไหมเป็นตัวแกลงไปไม่ได้สิเพราะว่างูเห่าเป็นสัญลักษณ์ของเออการการงูเห่าอ่ะการการ ก็นี่ไงมาจากชาวนากบงูห่าเนี้หรอไม่รู้มาอย่างไรเรียกแล้วก็สายไฟก็พันขาดีฉันตอนนี้ฉันก็เข้าใจว่ามีงูมีงูงูเห่ามลยจะฉกหรือเปล่าคือเนาะสำหรับความคิดไม่ไม่รู้ว่าเราแหมอาจารย์สองคนนี่ยังไงคิดพอเขาเลือกขั้วกันแล้วเขาก็ต้องเป็นไปตามขั้วสิไม่สิคนเรามันต้องแบบมีความคิดของตัวเอง สมมติว่าอุ้ยเรื่องนี้มันดีเราก็ยกให้ฝ่ายรัฐบาลได้หรือเอฉันก็คิดแบบนันนะเรื่องนี้สนิทด้วยก็ฝ่ายค้านจะยกมือไม่ได้หรอก็ในชีวิตการทางานของเราเราก็ทาแบบนั้นนงใช่คือบางอันเราก็เห็นด้วยกับคนนงูเห่างเงี้เหรอใช่งูเห่าอ๋อจริงๆอ่ะก็เอายึดถือความถูกต้องเป็นหลักก่องหสฉันก็งงว่าเออทำไมไปเรียกเขางูเห่างงไม่เข้าใจงูเห่าผิดอะไรเอาอีกแล้ว นี่เพิ่งรู้เอาเราเป็นมูเ่าเลยเนี่ยต่อมานะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็คือนายสุชาติตันเจริญนี่เวลานึกถึงคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักก็นึกถึงดีเจมดดำคุณมดดำป๊อปปาคุณมดดำมันเองนะคะอุยท่านเขาเรียกภาษากรีกเรียว่านา c e มากท่านน่ารักมากเวลาพูดถึง ลูกชายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันี้ขอนอกเรื่องนิดนึงแต่ดิฉันกำลังมองในมุมมองว่าท่านเป็นคนหนึ่งนะที่ยอมรับลักษณะยูนิเซ็กซ์ก็คือเพศหญิงเพศชายความเท่าเทียมกันความหลากหลายซึ่งท่านภูมิใจในความเป็นลูกชายของท่านที่เป็นแบบนี้ดิฉันเคยดูสัมภาษณ์ท่านคือ บ, บางทีเนาะดิฉันก็ก็มาคิดว่าเฮ้ยคนที่มีมีความหลากหลายแบบเนี้ยค่ะจริงๆแล้ว บางทีมันก็เกิดจากเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นฮอร์โมนในร่างกายอะ่ะคือฮอร์โมนมันเป็นแบบนี้จริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นก็ได้แต่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องฮอร์โมนแบบเปเรื่องในร่างกายเหมือนเราไม่อยากแก่อะ่ะแต่คือจะทํายังไงได้เนี่ามันเหียย่ยงแบบนี้อเออมันก็ริ้วรอยมันคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมันมันสร้างขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็มันก็ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรใช่แต่แต่อย่างน้อยเนี่ยค่ะระดับคุณสุชาติอ่ะ รับ น, นได้ก็แสดงว่าอุ้สังคมไทยเราเปิดกว้างเนาะทีนี้เนี่ยคุณสุชาติเนี่ยค่ะมาจากพลังประชารัฐชนะด้วยคะแนนเฉดชฉวมากชนะอีกฝ่ายหนึ่งไปแค่1นึงคะแนนนะคะนั่นก็คือ248เสียงต่อ247สี โอโหบบ ว, ว้าวมากตอนนั้นแล้วก็รนับผิดหรือเปล่านี่เขานับใหม่หรือยังลยหลายรอบแล้วหลายรอที่นับมือนะ <ừ> วันหลังกดปุ่มอะไรอย่างงี้ได้ไหมนั้นน่ะสิงงเ้ากดปุ่มเขาก็รู้ใช่ไหมว่าเราเลือกอะไร <laughs> หรือว่าให้กดจากมือถือเดี๋ยวนี้มันมีแอปช่วยนะเวลาที่เราสอนหนังสือเด็กไงเราจะรู้ได้ทางไ่เออร์เรอรอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปติดตั้ง WiFI ดีดก่อนนั่นนะคะ ตอมาอุย้ยดีอยู่แล้วนี่อยู่ใน tot ดีอยู่ใช่ไห ย, ยสัญญาณต้องแน่นปกติเลาเตอร์มีตัวเดียวใช่ไหมคะนี่้ <c oughs> คนละตัวเลยค่ะ <c oughs> ไปเลยก็กด <c oughs> ต่อมานะคะรองประธานสภาผูารร้แทนราษฎรคนที่สองก็คือนายสุภาชัยโพสุนะคะพักภูมิใจไทยชนะเยอะเลย256ห้าสิบหต่อ239สค่ะก็ชนะกันไปก็ <c oughs> ก็ก็ดีก็มีประธานและรองประธานแล้วมีหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้องแล้วทีนี้อยากจะเล่าประเด็นอื่นๆ อ, อ, อีกด้วยนะคะหลังจากสีสันการเปิดสภาเนาะก็จะมีสสผู้หญิงนะสสผู้หญิงก็ออกมาเรียกร้องว่าอุ้ยทำไมผู้สสผู้ชายเนี่ยคะ่ะทำอะไรเป็นกิจวัตรดิฉันถูกแทะลมด้วยคําพูดทางวาจานะ ไม่ไมีได้ทางร่างกายทําไมถึงมองว่าสสผู้หญิงเป็น เ, เพศที่แบบว่าเขาเรียกว่าด้อยกว่าผู้ชายาใครบอกท า, ทางที่เรามีความเท่าเทียมกันตอนนี้ผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เป็นผู้หญิงเขากําลังจะต่อสู้เรื่องนี้กันอยู่ว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีกระแสมาบอกว่าเ อ, อมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเพศหญิงเพศชายอย่างเดียวแต่มันเรื่องการดูถุก เย็ดย็ดยามกันนิดนในเรื่องของความแก่อุ้ยคุณอย่าหันมาทางนี้ค่ะโอเคค่ะความแก่แล้วค <c oughs> ุณต้องลงเสียหนักประธานดิฉันความแก่ความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแต่ดิฉันก็เชื่อในความมีสิทธิ์เท่ากันนะเพราะว่าคุณชัยเนี่ยค่ะก็ยังเรียกท่านว่าปู่ชัยกันินเก็ตอนแรกฉันก็เรียกนะด้วยความ respect คารมนี่นี่เห็นท่านแล้วรู้สึกว่าอุ้ยถ้าสมมติเป็นย่าติกับท่านแบบ ท่านคงเป็นคุณปู่ที่แบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีอ่ะแบบนึกภาพเล่นกับหลานอะไรอย่างนี้นะช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามีคือท่านน่ะคือคือเติบโตแล้วก็ผ่านผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มองอ่ะไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างคือแบบเอ้ยแก้ไขปัญหาได้นะไม่เป็นไรหรอกอะไรตัดสินใจกันไม่ได้ก็พักก่อนพักก่อนพักก่อน แป๊บนึงกินข้าวเนาะกินข้าวกินน้ําน้ำอไรเข้าห้องน้ําอะไรให้เรียบชื่นใจชื่นใจกลับมาใหม่อย่างนี้เอแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างเงี้ยค่ะมีรุ่นพี่รุ่นเก๋อรุ่นน้องรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บรรยากาศมันก็ยังเป็นเป็นด้วยความน่ารักบางคนก็เป็นนักเรียนใหม่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็อาจจะยอกล้อรู้ยอกล้อกันไปหัวร้อกันไปแล้ว เขาก็เด็กนักเรียนเขาเพิ่งย้ายโรงเรียนมาใช่ไหมแล้วก็นึกอย่างงั้นว่าเขายังไม่รู้ว่าอ๋อโรงเรียนเนี้ยเขามีกฎกติกามารยาทยังไงอ๋อเหมือนน้องอหนึ่งนะอันวันหนึงกำลังจะเข้าเข้าสู่โรงเรียนแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ถึงร้านเลยคือกําลังเข้าจากเนสเซอรี่แล้วก็ไปเป็นเป็นพี่อหนึ่งละตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีอะไรใหม่ๆนะใช่พี่ที่อยู่ก็เปลี่ยนพี่ที่อยู่มาก่อนเมื่อห้าปีที่แล้วน่ะก็จะต้องสอน เพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนก็ส้ำชั้นอยู่อ๋อพี่ซ้ำชั้นเหรอคะซำชั้นอยู่ก็ต้องช่วยสอนน้องหน่อยว่ากลับมาอยู่ที่เดิมคำนี้พูดไม่ได้อ๋ออ๋ออไม่ใช่ว่ากฎใหม่แล้วจะพูดอะไรก็ได้นะอ๋อต้องมีแล้วก็ต้องฟังหัวหน้าห้องด้วยถ้าหัวหน้าห้องยังไม่ให้พูดไม่ได้เพราะว่าจะพูดพร้อมกันหลายคนฟังไม่ทันอ๋อนี้มันเป็นหลัก เป็นฉากที่ไปไต่พุทธิละคนพุทธิละคนแล้วยกมือทีละพร้อมๆกันมองไม่เห็นเลยแล้วก็มีมีคนบอกว่าท่านไม่มองทางนี้เลยมองในอีกทางเออบางทีมันเป็นความถนัดของเราเหมือนกันเนาะคือเรานั่งอยู่ตรงกลางแล้วบางทีเราถนัดขวาเราก็มองในทางขวา อีกคนก็จะโอ้ยใ่แงะนอยู่อะไรงี้ไม่ได้พูดสักพีเหมือนเวลาเราสอนหนังสือเนาะถ้าเด็กยกมือหลายๆคนพร้อมกันก็ตาลายนะสมมติบอกว่าอะเดี๋ยวให้ตอบคาถามหนึสสายกมือไม่มีใครยกยกดูไม่ทันเลยดูไม่ทันเลยโอ้แต่นี้ก็ต้องเห็นใจท่านนะคนทั้งกี่ร้อยคนนะมยกยกกระพึ่มผับโอ้ตาลายนะตาลัยเฮ้ยดิฉันว่าวันหลังให้บัตรคิววิ่งไปยิปบัตรคิวยังหรอวิ่งก็เหนื่อยสิทำยังไงดีต้องแจกบัตรคิวยังไง นั่นแหะสิทฉันกำลังหาระบบให้ท่านอยู่ว่ามันยกคิวไหนคิวหนึ่งคิวมันไม่ไหวจริงๆต้องไปเอาแบบกดปุ่มกดปุ่มกใช่ไปเรียนรู้จากเกมโชว์อะทุกคนจะมีปุ่มก็ตุ๊กตุ๊กกดปุ่มกดปุมกัวยี่หันไฟติดที่เ่าไหนคนไหนได้พูดก่อนกดปุ่มกัวยี่เด้งขึ้นอเลยเป็นเทคโนโลยีแล้วเพราะว่าประเทศเรามีกระทรวงดิจิทัลดิจิทัลเทคโนโลยีอ๋อกดปุ่มแล้วกัวยี่เด้งขึ้นอย่างนี้ก็เข้าท่านะคะคุณค่ไม่ดีมา้ <departure> ต้องเห็นใจนิดนึงเพราะว่าในสภาเราก็มีอายุหลายท่านก็มากแล้วเด้งไปเด้งขึ้นเด้งลงยั่ไม่ไหวค่ะกระดุกปรุนอีกอ่ะก็เป็นสีสันค่ะเป็นสีสันโอ้ดิฉันสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณจะเย็นเย็นก็หวังไว้ว่าสัปดาห์ต่อไปเราก็จะได้ชื่อนายยกแล้วนะคะเดี๋ยวเดียวรอขันมากกำลังเดินทางอยู่ให้รอขันมากให้แบบเรียบร้อยก่อน นี่ก็เนาะพักรวมรัฐบาลที่เขาเขาพยายามจะจัดตั้งอันนี้ก็แห่ขันหมากไปบ้านนึงบ้านนี้บางบ้านจีบกันอยู่บางบ้านก็รับแล้วขันหมากรับแล้วบางบ้านที่ไม่ได้ขันหมากก็มีแบบงอนๆนิดหน่อยหรือเปล่าก็เรียนรู้กันไปค่ะได้ก็ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะพอหอมปากหอมคอกันหน่อยเนาะหรือว่าเป็นสีสันนะคะสนุกเปิดบอกแล้วสนุกคือประชาชนสนุกอุ๊ยแต่ดิเอย่างหนึ่งก่อนก่อนจบรายการนะทิฉันชอบมากคือวันนั้นเนี่ยในทวิตเตอร์นี่คือทวิตกันเรื่องเปิดสภาเยอะมากเลยนะคือมันทําให้เราเห็นว่าสะท้อนเนอะว่าคนไทยใครบอกว่าเฉยไม่กับเรื่องแบบนี้คนไทยเรากําลังแบบเรียนรู้แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ใช่มองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปทุกอย่างเป็นเรื่องของเราใชา่คือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือว่ามีช่องทางที่เราจะแสดงออกอได้ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นพอมันเกิดแบบพวกโซเชียลมีเดียที่ทำให้มีพื้นที่ให้ประชาชนแสดงออกฉันคิดว่าเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ ตัวรัฐบาลเองหรือตัวสสเองต้องเรียนรู้คือไม่ใช่ว่ารอสปีแล้วมาฟังฟีดแบ็ตอนตอนจะเลือกตั้งนะคุณจะต้องฟังตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าฟีดแบ็กหรือปฏิกิริยาของประชาชนเนี่ยมาได้ตลอดแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีช่องทางที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเยอะมากเนาะคุณก็จะได้วางแผนถูกด้วยนะคะในเรื่องของฟังเสียงประชาชนั ง, เ, งนเพราะเพราะว่าเขาบอกว่าประชาธิปไตยก็คือหมายความว่าเสียงของประชาชนคือเสียงของพระเจ้านะ ที่มาของของการปกครองแบบประชาธิปไตยคือการฟังเสียงของประชาชนนี่เราจะได้เป็นพระเจ้าของสสใช่ไหมคะตามหลักการเป็น <c oughs> เช่นนั้นค่ะแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องว่ากัน ก, กีนึง <c oughs> อะค่ะ <c oughs> คพอหอมปากหอมคอสำหรับสีสันนะคะในวันเปิดสภาค่ะก็ คงเราก็ยังคงติดตามนะคะแล้วก็คงจะมีเรื่องราวเนาะมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ฟังฟังในสัปดาห์ต่อๆไปค่ะเดี๋ยว ร, รอๆขันหมากกันสักนิดหนึ่งนะค ะ, ะถ้าขันหมากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เวลาของรายการโฆษณาวารตี้หมดลงแล้วค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ ะ, คะรายการโฆษณาวารตี้สร้างสรรค์และผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี